นักภาวนาทําทชั่วโมงบินให้มากเอาชั่วโมงบินให้มากๆก็แล้วกันไม่ใช่ชั่วโมงหลับมากๆนะไม่ใช่นะชั่วโมงบินชั่วโมงปลุกผู้รู้ของเราใตื่นเนี่ยผู้รู้ของเราเนี่ยมันหลับไหลมันลุ่มหลงมันลหลับหลมันลุ่มหลงผู้รู้เนี่ยมันลุ่มหลง มันรุ่มหลง ม, ม, มันหลับไหลหลับเคลิมมันหมกมันชอบหมกอยู่กับสัญญาอารมณ์นะผู้รู้ของเราเนะี่ยพอสัญญาอารมณ์มาเกาะปั๊บไปแนละ้วไปบ้านไปช่องไปงานไปการไปลูกไปผัวไปเมียไปพ่อไปแม่ไปพระปะปังนะไรนะสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะมันชอบมากลบกลบผู้รู้ของเราแล้วมาปลุก เรามาชะเรามาล้างเรามาขัดมาไล่มนาะกวาดออกให้พระู้ของเรานะเด่นตื่นรู้โรคขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ปัดออกมามันก็ถูกหมกอยู่ในขี้ตรงมที่คโคลนแล้วนั่นน่ะสิ่งหลน้าเป็นขี้ตมขี่คโคลนนั้นเป็นฝุ่นเป็นทุลีเป็นละอองเป็นขี้ตมเป็นขี้คโคลนเราพยายามดึงออกมาพยายามปลุกให้ตื่น ปลุกผูรูรอยตื่นปลุกผู้รู้ ร, ร้อยสว่างขัดผู้รู้ร้อยใสใจใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจดวงเดียวคือผู้รู้เนี่เราก็เหมือกนกระต้อนสาวต้นหนึ่งไม่มีความหมายในตัวเองไปพบไปเห็นไปนู้นไปนี้กับอะไรไม่มีแหละคําพูดเหล่านี้ไม่มี เราไม่มีความหมายในตัวเองไม่มีความรู้ในตัวเองเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งก้อนหนึ่งโดยเหตุที่เรามีผู้รู้เนี่ยเราเอามาเอาผู้รู้มาปรับให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านเป็นเป็นผู้พาปรับมาแล้วเอาผู้รู้ของเรามาปรับให้เกิดประโยชน์โดยเหตุที่เรามีผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันพาเราไปป น, นเปื้อนหมดทุกอย่างทุกเรื่องเลยแหละว่าจะมาเกี่ยวข้องผูกพันกับมันมาเกี่ยวข้องกับตากับรูปกับเสียงกับกลิ่น กั บ, บรดกับสัมผัสมันออกไปทางตาทางหูทางสมองทางลิ้นทางกายน้อมนึกในทางใจนี่มันออกไปมันออกไปอย่างไหนมันออกไปจากร้ำของมันถ้ำของมันก็คือกายกายกายเป็นร้ำถําเป็นกายเป็นกายเป็นที่อยู่เป็นร้ำเป็นที่อยู่ของใจของจิต เราจะว่าใจเคใช่เราจะว่าจิตกคยใช่เราจะว่ามณะกคยใช่เราจะว่ามนัตเคยใช่เราจะว่ามนายาตนะเคใช่เราจะว่าวิญญาณธาตุเคใช่หมายเอาผู้รู้นี่ผู้เดียวนี่ยหมายเอาผู้รู้ผู้เดียวนี่ย้อนมาย้อนมาดูเดี๋ยวนี้เราย้อนมาดูเดี๋ยวนี้ย้อนมาดูผู้รู้ของเราน่ผู้รู้ของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นโทษติดมามีทั้งสิ่งที่เป็นคุณติดมา เราพยายามปลุกเอาสิ่งที่เป็นคุณมาใช้มาเป็นคู่มือมาเป็นคู่ปรับมาเป็นคู่ปกป้องคุ้มครองผู้รู้ตัวนี้สี่ที่เป็นคุณสมบัติก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมนี่แหละนี่แหละคือคุณสมบัติของผู้รู้คุณสมบัติของผู้รู้ที่เป็นโทษก็คือกิเลสตัณหาอาสว ะ, ะมันขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันหากสะสมมาในตัวของมันเอง เกิดมาตั้งแต่กับกันโพเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้แม้แต่ผู้รู้โบราณอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านชี้ไปที่อวิชชาอาวิชชาอาวิชชาบง่งบอกมาถึงกาลปัจจุบันเนี่ยตราบใดที่เราเจริญกรรมาฐานเราเจริญภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราปล่อยให้อวิชชามาครอบปั๊บอ่าความไม่รู้มันครอบเราแล้ว โดยเหตุที่ความไม่รู้มาครอบงํำมันเอาผู้รู้เราไปใช้ในทางที่ผิดแล้วมันออกไปทางตาไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นต้นสายปลายเหตุให้เกิดความโลภในหัวใจของเราแนะ่เกิดความโลภความโลภแนะ่เป็นสิ่งโสโปรกปอมหนึ่งแล้วแหะมาทับถมหัวผู้รู้เองเป็นสิ่งโสโครกปมหนึ่งแล้วมาทับถม ผู้รู้ของตัวเองนะออกไปทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทางใจไปก็มีภาวะอยู่อย่างนั้น่ะละเห็นสิ่งที่ดีก็ยึดเข้ามาเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ผลักออกไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผลักออกไปการผลักออกไปนั้น่ะเป็นเหตุนำมาซึ่งความโกรธอ่าพอมันไม่เปลีนไปด้อย่างใจแล้วมันก็ขัดใจ ขัดใจกอขัดข้องเกิดโกทะเกิดปฏิฆะที่จะเรียกว่าขัดข้องขัดข้องบางครั้งกระลุกลามไปจนถึงนูน่นพยาบาทไปจนถึงปองร้ายไปจนถึงพยาบาทบางทีไปจนถึงอาฆาตน่ถึงขั้นอาฆาตหมายจะเอาชีวิตคืนนั่นหมายจะหมายจะเอาชีวิตถึงแก้แค้นนี่นี่แหละ คือเป็นเรื่องเป็นเวรเป็นภยัยเป็นบาปเป็นกรรมมันผูกพันทําให้เกิดเวรเกิดกรรมกันมันเกิดเวรเกิดกรรมได้ยังไงมันก็เกิดเวนเกิดกรรมเพราะมันสร้างเหตุสร้างผลมันกระดุกระดิกพลิกแปลงมาที่กายเป็นกายกรรมที่วาจาเป็นวจีกรรมมาที่ใจเป็นมโนกรรมพลิกแปลงมากับอะไรสิ่งใดเมื่อไรตอนไหนขณะไหนอยู่ที่รับที่แกงไม่สําคัญมีผลตามมาพลิกแปลงในทางที่ดี ผลดีตามมาพลิกแปลในทางที่ไม่ดีผลไม่ดีตามมาสิ่งที่ยุแย่พลิกแปลไปในทางที่มีดีก็คือกิเลสตัณหาที่มันสะสมตัวมันเองนั่นแหละมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีผลที่มันตามมาก็คืออะไรทุกคือทุกขคือโทษทุกโทษมากยิ่งเพิ่มความทุกข์ใ่เข้าไปอีกเพิ่มความไม่ชอบใจเข้าไปอีกแต่ก็ไม่รู้ก็ยึดอยู่อย่างนั้นอยู่ร่ำไปรอเพิ่มจาก เพิ่มเรื่อยๆเพ่เรื่อยๆเป็นโลภจัดโกรธมีคนมาขัดมาคอมามาคาก็ปฏิฆะขัดขัดขัดขั ด, ขดเกิดความโกรธทั้งโลภทั้งโกรธนี่มันบ่งบอกถึงความมีอวิชชามาครอบมาห่อหุ้มหัวใจของเราอวิชชาเอ่ยความหลงเอ่ยราคะตัณหาเอ่ยตัณหาอุปาทานเอ่ยนี่มันอันเดียวกัน กิเลสเอ้ยเนี่ยมันอันเดียวกันแต่ภาษาบาลีท่านเรียกไปโคลักกิริยานะกิริยาของความโลภมาทับถมหัวใจของเราทําให้ใจของเราเศร้าหมองความโกรธมันเป็นปฏิกิริยาที่มาเกิดมาเกิดใน ห, หัวใจของเราทําให้ใจเราเศร้าหมองความเศร้าหมองค้องใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่ากิเลสกิเลสกิเลสะกิเลสะสภาพที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมอง ไม่ผ่องไม่ใสมันคุนคุนมันมัวมวมันมืดมืดมันทึบทึทุกแปวใจอยู่นั่นแหละพวกเราประสบพวเราเห็นมาด้วยกันทุกคนทุกครั้งทุกวันทุกเวลาด้วยดีไม่ดีไม่ได้อยู่ในท่าทีที่ตั้งใจปฏิบัติธรมไม่ได้สำรวมไม่ได้ระมัดระวังทุกขณะจิตก็เปลี่ยนได้เรื่องไหนที่มันทุกข์ใจน่ะมันคิดหาแต่เรื่องนั้นแหะเรื่องไหนที่มันทุกข์างคิดหาแต่เรื่องนั้นะคิดไปหาทุกคิดไปหาเรื่องคิดไปหาโทษ นี <necessary. S 2> the the mm ่คือภาวะของจิตจิตอะไรที่มันอ่อนนิ่มที่สุดมันจะน้องไปกับสิ่งนั้นอะไรที่อ่อนนิ่มที่สุดรุนแรงที่สุดละเอียดที่สุดลึกซึ้งที่สุดมันจะซึมซาไปกับสิ่งเหล่านั้นแหละสิ่งที่มันกวนใจที่สุดมันดึงไปทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกสําคัญความทุกข์ว่าเป็นความสุขในที่สําคัญสําคัญทุกขเวทนาว่าเป็นสุขเวทนาสําคัญความทุกขว่าเป็นความสุข ยึดถืออยู่อย่างนั้นอยู่ร่ําไปตอนนี้เรามีหน้าที่ ท, ที่จะมาเจาะมาดูมาชะมาล้างตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนมานะเพื่อเหตุที่มันลุ่มมันหลงมันถูกสิ่งเหล่านั้นมากดมาทับไม่รู้มันกี่กลับกี่การกี่อสงไข่กลับมาแล้วเราก็ไม่รู้มันฮักมันสะสมตัวคนมันมาอยู่อย่างนั้นแหละเราโชคดีเราไปเกิดในปฏิรูปประเทศที่มีการศึกษารำพระพุธทธธรรมปฏิบททัติธรรม เกิดบางพบบางชาติเราไปเกิดในที่ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเลยพุโทโธธรรมโอสังโฆไม่รู้จักเลยทําไงสิ่งเหล่านี้ก็พอกพูนทับหัวใจของเราเยกจนหนาปักหนาตึบจิตใจของมนุษย์จิตใจของสตัตว์มันมีอะไรแตกต่างกันถ้าเราขาดศีลถ้าเราขาดธรรมจะอยู่ด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความมีทิฏฐิด้วยความมีมานะด้วยความถือเนื้อถือตัวด้วยอะไรต่ออะไร เราดูบรรดาสัตว์ทั้งหลายมันอยู่มันมันอยู่ด้วยกันมันเป็นใหญ่ด้วยการแพ้ด้วยการชนะเอาเรียวแรงไปแพ้ไปชนะกันแต่มนุษย์ร้ายกาลมากกว่านั้นอ่ะชนะด้วยเรียวด้วยแรงไม่ได้ชนะด้วยสติชนะด้วยปัญญาชนะด้วยหมู่ชนะด้วยพวกนี่ด้วยเหตุที่เรามีความเข้าใจชีวิตบางพบบางชาติก็สะสมตัวกันมาอย่งั้นอ่ะจนจิตดวงนี้กลายเป็นมิจฉาทิฐิมืดตึ๊บหมดทั้งดวงนี่ บางพบบางชาตินะเราไปเกิดในในพบชาติบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าปฏิบัตเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังอะไรไม่ได้ยินได้ฟังแต่ในหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันมีธรรมอยู่ในนั้นแหละที่ท่าเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมบางคราวธรรมะมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราบางคราวกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเพราะสิ่งสองสิ่งเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของใจมันติดติดมากับใจติดมากับผู้รู้ โดยเหตุที่ผู้รู้หลงเพลินสะสมนั่นแหะสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมีนิสัยอัตยาศัยรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนอย่างหัวใจของพวกเราของท่านทุกๆคนมีความรักสุขเกลียดทุกข์สุขดีหรือสุขสุขได้ได้มาจากเหตุดีหรือไม่ดีก็ไม่ค่อยคํา น, นึงหรอกทุกข์มาจากเหตุดีหรือเหตุไม่ดีไม่ค่อยคํา น, นึงไม่ค่อยคํานวณ ว่าจะชอบใจอะไรยึดเข้ามาชอบใจอะไรยึดเข้าไม่ชอบใจแล้วก็ผลักออกไปไม่ชอบใจแล้วก็ดันออกไปไม่ชอบใจถึงขั้นรุนแรงต่อยหักไปข้างใดข้างหนึ่งอ่าได้หักดได้ล้าได้ผลาน ก, ลกันไปข้างข้างหนึ่งเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหัวใจนั่นแหะหัวใจดวงนี้มันสามารถพลิกผันไปพูดยิ้มแ ย, มแย้มแจ่มใสอ่สนุกสนานมีอารมณ์เพลิดเพลินมีความสุขด้วยกันอ่ะพิษ ใจคำเดียวแก๊กเดียวนั่นน่ะตาดำตาแดงขึ้นมาเนี่ยหยิบปืนมันฆ่ากันได้เลยนี่หัวใจของมนุษย์ร้ายกาศร้ายกาศมาก่อสัตว์เรามีหน้าที่ที่จะมาสอดสองดูแลสีเหล่านี้เพื่อที่จะมาชัามาล้างทำความรู้ตัวทำความตื่นตัวงัดเอาคุณสมบัติของผู้รู้แลีมาใช้เกิดประโยชน์คุณสมบัติของผู้รู้คืออะไรคือทำ ทำทุกมาทำทุกอย่างทุกบททุกบาททั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านมาทรงแสดงนี่คือทำทำมีเรื่องปลุกจิตของเราให้ตื่นให้รู้โดยเฉพาะคุณสมบัติที่มากับจิตแท้คือตั้งสติขึ้นมาคุณสมบัติของใจสตินี่เป็นคุณสมบัติของใจที่มีความจําเป็นตั้งแต่พื้นพื้นไปจนถึงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปจนถึงวิมุตต์ไปสูงสุดพระนิพพานนั่นแหะ สติธรรมสติธรรมถึงคราวชัล้างสิ่งที่ห่อหุ้มลุ่มหลงในหัวใจของเราได้หมดจดโดยชิ้นเชิญไปแล้วจิตของเราขอมีแต่ผู้รู้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติวิปุละสติวิปุละผู้จะสัญชะล้างได้ทั้งหมดพระเดจเจ้าพระอรหันตุทุกๆพระองค์ท่านมีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์ กิเลสตัณหาสภาวะภายในผู้รู้ดวนั้นก็ชักออกไปหมดแล้วล้างปัดออกไปหมดแล้วอุบายวิธีของพระองค์น่งจึงมาตรงนี้ตรงมัชชิมาปฏิปทานะถึงแม้ว่าการใดคราวใดกับใดการเวลาใดพ ร, พ, รพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอุบัติไม่ได้ไปตรัสรู้ไม่ได้อุบัติไม่ได้ไปตรัสรู้ก็ตามความนึกความคิดของมนุษย์ด้วยเหตุที่หัวใจของมนุษย์ ม, ม, ษยมีศิลอยู่บ้างมีธรรมอยู่บ้าง มันก็มีความรู้มีความสามารถมีความสารู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนพยายามทีบตะเกียกตะกายเพื่อถึงจุดสูงสุดอะไรคือดีที่สุดอะไรคือเด่นที่สุดอะไรคือจุดพัฒนาผู้รู้ตัวนี้ไปถึงจุดสูงสุดจึงมีการตะเกียกตะกายแข่งขันมาพระริจ้าท่านออกบําเพ็ญในสมัยที่เป็นเจ้าชายศิธธีตะตะออกไปบําเพ็ญรักทิรุนลัททินี้ลักทิอะไรต่ออะไรสรารพัด บรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือเจ้าทิฏฐินั่นแหละเราไปดูพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ทิฏฐิหกกว่าทิฏฐิที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกบรรดาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็คือความรู้ของปราดของบัณฑิตนี่นแหละที่มีความลึกมีความคิดแต่ทั้ง60สิกว่าทิฏฐิเหล่านั้นเนะี่ยเป็นความรู้ที่อยู่ในอุ้ง ม, มือของอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นความรู้ที่ครอบเราไว้ในวันตฏสงสาร ไม่มีความรู้แม้หนึ่งเดียวที่จะพาเราออกจากวัฏสงสารไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะ่ะที่มาตรัสรู้ตรัสรู้มาไม่ได้มาไม่ไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยจับเสื่อมือเปล่าไม่ใช่สร้างบา ร, รมีมาเป็นกับกับเป็นอสองไข่กับคิดดูสิส อ, สองสงไขยแสนหมากับ8อสองไข่แสนหมากับสิบอสองไข่แสนหมากับเอามาแลกมาเปลี่ยนกับความรู้เหล่านี้ไม่ใช่อยู่นนึกๆคิดดาวๆแล้วก็พรลม ตกไปสู่อั น, นั้นไม่ใช่บรรณาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นบรรดาทิฏฐิที่ตกค้างอยู่ในโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาพราะองค์มาแสดงธรรมปรมเทศนาเห็นไหมท่านพูดถึงทางปฏิบัติทางไหนทางถูกทางไหนทางผิดกามิจฉาลิการนโยมบรรดาชาวโลกทั้งหลายก็คืออยู่อย่างบำรุงบำรเรากกรมอ่าแล้วจะไปปฏิบัติตามไง ไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติยังไงที่จะสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องเอากามมาบำรุงบำรเรอเพราะฉะนั้นเรายิ่งย่อนยานักเกยบเกี่ยวกับเรื่องการมมากน้อยเท่าไหร่โครงค์ทรงตรัสว่าเป็นทางเลวเป็นทางเลวฮิโนคัมโมฮิโนคัมโมปุทชเนโกเป็นทางของปุถุชนเป็นทางดึงเราไปมีครอบมีครัวมีลูกมีผัวมีเมียยิ่งปกคลุมหุ้มหอนาตึบเข้าไปอีกแล้วล่ะ กามุมสุขลริการโยกประกอบตนโภพันในกามนีเป็นทางที่เลวเป็นทางที่ต่ําเป็นทางที่หย่อนยานทําจนตายก็ไม่มีมั้งไม่มีผลเกิดขึ้นหนึ่งหัวใจอีกหนทางหนทางหนึ่งก็คืออัตกิลมัทฐานโยกอัตกิลมัทฐานโยกก็คือทําตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าทรมานร่างกายอยากได้ธรรมะให้เกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าทรมานร่างกายต้องการธรรมะ ที่ใจแต่มาทรมานร่างกายเราฟังดูเหตุกับคลนนะั้นมันต่อกันไม่ติดนะต้องการธรรมะที่ใจแต่มาทรมานร่างกายอัตตกิรมะถานุโยคเช่อนอะไรเช่อนอย่างสมัยพุทิเจ้าท่านทรงมาเปลีนอดข้าวเนี่ยอดรักยายานี่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นจากการอดอย่างเดียวนะไม่ใช่อดข้าวภาวนาเหมือนอย่างทุกประวัอยู่ทุกวันนะั้นทุกวันนี้พวกเราก็เอาข้าวอดข้าวมาภาวนา อดข้าวแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทปลุกผู้รู้ปลุกทมให้เกิดขึ้นให้ตื่นขึ้นในหัวใจของเราแต่ในยุค น, นั้นอดข้าว อ, อดข้าวพุทธรานกายแต่ต้องการให้ธรรมะผุดโผที่ใจทางแผ่วถางที่จะทําให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจไม่มีมีแต่ ก, กิริยาอดข้าวอย่างเงี้ยกลั้นลมหายใจเนี่ยนะกัดฟันด้วยฟันเนี่ยเนี่ยสมัยพุทธเจ้าท่านทรงทํามาหมดแล้วล่ะ กัดฟันด้วยฟันเนี่ยกลั้นลมหายใจไม่ให้ใจไม่ให้ลมหายใจมันออกทางปากไม่ให้ลมหายใจมันออกทางจมูกลมหายใจมันก็เข้าออกเข้าออกร่างกายมันพลนเปลือการเนี่ยในเมื่อมันมีทางออกทางปากทางจมูกมันก็ออกทางหูมันดันเข้าไปในในท้องเสียดในพระอุทรณ์สมัยพระองค์ท่านทรงธรรมาเนี่ยนี่คือกลั้นลมหายใจเอาลิ้นกดเพดานเนี่ยกลั้นลมหายใจ ยืนบนน้ำนอนบนน้ำยืนขาเดียวยืนอะไรทุกวิธีทุกอย่างที่บรรด า, าลัทธิโยคีทั้งหลายทั้งควงเขาเกิดขึ้นก็มีขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นนี่คือการพยายามที่จะมาขัดกลาให้ผู้รู้ของเราเด่นตื่นรู้โรคขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ทางพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าอันนี้ตึงเกินไปเคร่งเกินไปการมสการิการนโยยันเกินไปอัตเกตรมฐานโย ทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่ามันไม่ใช่ทรมานกายมันไม่ใช่ทรมานใจแต่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันพัดผันเราให้วนไปในวัฏสงสารนั่นน่ะมันพันที่ใจมันเกิดมากับใจมันพันที่ใจมันครุกคลีปีโมงมากับใจเพราะฉะนั้นวิธีชำระขัดเกลาร์เป็นเหตุผลว่าจะต้องมาทรมานใจนะ ทรมัร์ใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงออกจากอาจารย์อุทกดาบุตรลาล า, าบนตรมาบำเพ็ญเพีย ง, ยงมาบำเพ็ญเพียงทางใจมาบำเพ็ญเพียงทางใจแต่ตอนนั้นพระองค์อดพระปรยาหารจนพระวรกายของพระองค์เนี่ยจะไปไม่ได้แล้วแหะชีวิตินทร์สีของพระองค์จะขาแล้วแห่ะคิดดูที่ชั้นพัฒน า, าเนี่ยตั้งแต่เต็มคําเต็มอิ่มอ่าแล้วก็ตั้งใ จ, จอด ลดไปวันละคำลดวันหนึ่งก็ลดคำหนึ่งมือหนึ่งก็ลดไปอีกคำหนึ่งมือหนึ่งก็ลดไปคำลดๆๆๆๆๆลดไปจนเหลือประมาณปริมาณเท่ากับหนึ่งคำหนึ่งคำนี่ก็ลดไปเลยลดไปจนเหลือหนึ่งเม็ดกิดดูดินี่คือกิริยาการอดพระกายานเทบุริยทันชงทรมานพระวรกายของพระองค์นี่คืออัตตกิรามัธฐานโยกจากนั้นแหะร่างกายมันจะไปไม่ไหวแล้ว พ อ, อมาดาริ่ว่าจะทําความเพียรทางใจก็เลยหันมาเสวยพระกรยาหานะมันผิดคติมันผิดธรรมเนียมของรัตทีิอัดกิรามุานโยกเห็นไหมปัญจวัคคีเห็นแล้วร้องไห้เลยหมดหวังปัญจวัคคีตามเพื่อหวังจะได้แต่สรู้ตามพอเห็นพระผู้เจ้าหันมาเสวยพระกรยาหารพระคันนีหนีพระองค์เคียดให้กับพระองค์ร้อ ง, องห่มร้องไห้ผิดหวังเสียอกเสียใจอุตส่าห์วิ่งตามมาพระธรรมปรานเนี่ยนั่นก็ทําให้ผิดหวังหนีไปอยู่ใ น, นคนละแคว้ น, นาะ แคว้นพาราณสีเน่ยเมืองพาราณสีแคว้นกาสีนั่นนาะอยู่ที่ไปสิปฒนะมรุกษัยวันน่ยพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่แคว้นราชกระครึกตำบลอรุเวลาเสนานี่ยผมคนละแคว้นนะต้องเสด็จจากนี้ไปเดินเท้าเปล่ากัน10กอ น, น่ะไปที่นุ่นพระพุทธเจ้ไปปรดปัญจวัคคีย์เวลาพระองค์มาแสดงพระองค์ก็ยกสงยกโทษยกทางที่เป็นโทษกาอาการมาสุกา ร, ริการโยก จะเป็นโทษยานเกินไปทําจนตายก็ไม่มีอัดมีทําอะไรเกิดขึ้นในหัวใจอัตกระลามฐานโยกนี่ก็ตึงเกินไปไม่ใช่ทางทําจนตายก็ไม่มีอัดมีทําเกิดขึ้นในหัวใจพระองค์จึงเปิดทางเส้นใหม่สายใหม่ที่ทางท้ำกลางกลางถ้าเป็นเส้นพินก็คือเส้นหนึ่งตึงเกินไปเส้นหนึ่งหย่อนเกินไป เ, เส้นที่พอดีก็คือเส้นเส้นกลางๆคําว่าเส้นกลางๆางของพระองค์ไม่ใช่ว่าอา่า ไปทําจนเป็นจนตายและจะไม่เป็นทางสายกลางทําให้ถูกตามนั้นสละเป็นสละตายเข้าไปทําจนตายก็ไม่ถือว่าเคร่งจนเกินไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรย ม, มัมโยงแปดนี่แหละสรุปลงมาคือเหลือก็ศีลเหลือสมาธิเหลือปัญญาอริยมมโยงแปดนี่เป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าเอานี่แหละมาเปิดเผยมาบอกมาสอนพวกเรานี่แหละคือหนทางปฏิบัติไปคลี่คลาย ทำลายความมืดมืดทึบทึบความบอดด้วยอวิชชาตันหาปปาทานที่มันมาปกมาหูหมงหุอหูมหมหวใจของเราเรามาทําหน้าที่อย่างนี้มันเป็นการทําหน้าที่ปลุกผู้รู้ของเรให้ตื่นขับต้อนไล่สิ่งที่บดบังหัวใจของเราให้มือให้ทึบให้หดให้หายให้จางให้คลายไปเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระอาหารหันตสาวก ท่านชาไปแล้วท่านล้างไปแล้วท่านขัดไปแล้ววิธีการก็คือหนึ่งรักษาสินสินสมาธิขยับจากสินกม็มาเจริญสมาธิาจิตได้รับความสงบก็พิจารณาเกิดปัญญาหลักสหลักอันนี้แหละเป็นวิธีการเป็นบันไดาสามขั้นที่สุดมายอ่อยๆที่เราตั้งใจจะปฏิบัติตามรพระคุธิยาเพื่อชาาเพื่ล้าสิ่งที่บดบังหัวใจของเรา ให้ตื่นให้ใสให้สว่างให้เกิดคุณสมบัติคุณสมบัติของผูร้รู้ตัวนี้จะเด่นรอขึ้นมายังได้อย่างเต็มที่เต็มฐานนะการทักใจรักษาศีลเนี่ยมันช่วยปิดบังมันช่วยปกป้องอวิชชาตันหาปาทานได้ไหมปิดกั้นได้ความโลภ ค, ความโกรธเนี่โลภอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าเพราะอะไรเพราะความโลภฆ่าสัตว์ฆ่าเพราะความโลภ ฆ่าเพราะความโกรธนะโกรธละฆ่าก็มีโลภฆ่าสัตว์อมาทำอาหารก็มีมนุษย์ฆ่ากันเองฆ่าเพราะความโกรธอย่างเงี้ยนี่คือฆ่าสัตว์เรื่องการฆ่าสัตว์มันเป็นการลงมาทํากรรมพอเราเบียดเบียนเขาไปแล้วเราฆ่าเขาไปแล้วเราฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราเบียดเบียนเขาเขาก็จะเบียดเบียนเราเนะพราะฉะนั้นท่านจะให้เมตตา ให้เจริญเมตตาเป็นอาจินเอาตปะปาธรรมคือเมตตาธรรมนี่มาเผามาหล่นให้ใจตรงนี้มันอ่อนมันนิ่มให้มันมีเมตตากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเราจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เอากายมาฆ่าฆ่าสัตว์รักท ร, รัพย์ทรพืชผิดในกาล น, นี่กิริยาเหล่านี้เราจะต้องมาชัมาล้างกันด้วยอํานาจของศีลนะเอาศีลมาชะมาล้างเราเห็นศีลศห้ามศีลห้าท่านห้าฆ่าสัตว์ ห้ามรักทรัพย์ห้ามพระพุทธผิดในกลามอันนี้คือกิริยาที่เกเรตันหามแสดงออกมาที่กายของเราเป็นกายกรรมเป็นวิจีกรรมเราเจริญศีลเพื่อมาปิดกั้นมาปิดกั้นปลายทางของตันหามปลายทางของมันที่มันแสดงออกมาที่กายกรรมในเมื่อเรามาปิดกั้นกายกรรมของเรากายกรรมของเราก็จะบริสุทธิ์ที่เรียกว่ากรรมของเราก็จะบริสุทธิ์กายกรรมของเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์วจีกรรมของเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ตามหลักของศีลแค่ตรงกับหลักของศีล5แค่นั้นก็ถือว่าบริสุทธิ์ขั้นหนึ่งระดับทําให้กายเราบริสุทธิ์ด้วยเอาศีลไปกํากับไปรักษาศีลผู้ที่ตั้งใจรักษาศีลจะทําให้กายกรรมวิจีกรรมของเขาบริสุทธิ์เปราะอะไรเพราะตัณหามสแสดงออกมาไม่ได้มันสแสดงออกมากิริยาอย่างหนึ่งมาฆ่าสแสดงกิริยาอย่างหนึ่งมาลัก แสดงกิริยาอย่างมารอบด้วยราคะตันหาผิดหัวผิดลูกผิดเมียผิดอะไรต่างๆของเขานี่ตันหามแสดงออกมาทีนี้เอาศินมากำกับพอเอาสินมากำกับความระแวดระวังเขามีอยู่ที่หัวใจนั่นแหละอ่ามันมาโผล่ที่กายไม่ได้ที่วาจาไม่ไดมันก็โดดดิ้นที่หัวใจของเราท่านจึงให้เราทําใจให้ได้รับความสงบอ่าภาวนาสัมถัให้มันสงบซะก่อนอะไรสงบตันหสงบ ตันหาอาวิชชาป่าทานเนี่ยมันอันเดียวกันมันเกิดขึ้นจากพลังที่ร้ายกาจในหัวใจของเรามันไม่อยู่คงที่มันเดิดมันดิ้นตามภาวะของกองสังขารผู้รู้ของเราเนี่ยเป็นกองสังขารเพราะมันมีอวิชชาตันหาป่าทานปนเปื้อนมาด้วยแต่ผู้รู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ไม่มีกองสังขารเพราะท่านชะล้างสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วสิ่งที่เป็นกองสังขารจะเป็นสังขารรูปกตามสังขารนามก็ตาม มันจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นพุทธเจ้าทรานให้ศึกษาเพราะมันมีอนิจจังมันมีทุกขังมันมีอนัตตามันไม่มีอะไรคงทนถาวรเป็นอัตตาไม่มีอะไรคงทนถาวรเป็นนิจจังไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเกินค้าเกินหมายเกินดาวเป็นสุขขันไม่มีมีแต่ทุกขังอนิจจังและนอนัตตาภาวะเหล่านั้นคือคือภาวะของลักษณะ ของภาวะที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมหากเป็นภาวะโดยหลักธรรมชาติของมันที่จะเรียกว่าสามัญยักลักษณะสามัญยัลักษณะที่จะเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ลักษณะสามาัญญาที่จะเรียกว่าไตรลักษณ์กองสังขารที่เป็นรูปเพระเราเราดูที่ตั้งแต่เราเกิดในท้องแม่อยู่เท่าเดิมไหมไม่เคย อ, อยู่เท่าเดิมเราไปวัดในท้องแม่เป็นน้ําหยดใสๆแทบมองไม่เห็นเลย น, นั่นนั่นธาตุพ่อธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่น แล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยวันคืนล่วงไปขยายขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมแม้เด็กขณะจิตเดียวไม่เคยอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละพุทธิยถาสงตราบุตรทุกขันคือภาวะของกองสังขารที่เป็นรูปมองเห็นได้ง่ายเราย้อนดูไปอย่างนี้เราเราจะเห็นว่าเออมันเป็นมาอย่างนั้นได้จริงๆว่าเป็นน้ําใสๆมาเป็นน้ําล้างเลือดมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจสาขาทํางานทุกขณะจิต เป็นโรงงานโรงหนึ่งนั่นแหละถ้าไปโผล่ในท้องแม่ทีไรเมื่อไรกันนั่นแหละคือโรงงานโรงหนึ่งน่ะดูดวัตถุดิบมาจากแม่กินเลือด ก, กินเนื้อของแม่เจ็ดเดือนแปดเดือน9้าเดือนคลอด อ, ออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยอยู่คงที่เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่หาเราไปเกิดได้ตามบุญตามการรมของไข่ของเราพอเราคลอด อ, ออกมาแล้วพ่อแม่ต้องป้อนด้วยด้วยเข้าป้อนด้วยน้ํานมเพราะอะไรเพราะธาตุภายในร่างกาย แตเป็นเด็กเป็นทารกเป็นอะไรก็ตามมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันบดมันย่อย ม, มันไปปรับปรุงมันไปสร้างรกสร้างรากสร้างเนื้อสร้างตัวหากมันเจริญในวัยที่มันควรเจริญพอไปถึงวัยเสือเส่อมก็เสื่อมลองเสื่อมลงเสื่อมลงระดูคนแก่ดิไปเอาราอะไรไ ป, ไ ป, บ, ไปบำรุงมันจะมีเนื้อมีหนังไม่มีแล้วเนื้อหนังกล้ามลองกล้ามเมื่อกล้ามอะไหดหายไปเหลือแต่หนังห้องกระดูกมันบำรุงร้0ยปีเนี้ยเกปี100ปีร้อกว่าปีเนี่ย นั่นคือไวเสื่อมเอาไรไปใส่มันเจริญเจริญไม่ได้แค่พยุงพยุงพยุงพอถึงวันแล้วก็หลุดไปท่านเองหลุดคือร่วงร่วงเขาหลุดน่ะตายตายแล้วใจไม่ตายนีผู้รู้ไม่ตายนะผู้รู้ไม่ตายในผู้รู้ยังมีกองสังขารอยู่ผู้รู้ไม่ตายผู้รู้ชะล้างได้หมดก็ตามยังชะล้างไม่ได้ก็ตามผู้รู้นี่ก็คือธาตุที่ไม่ตายผู้รู้เนี่ยเป็นธาตุที่ไม่ตาย ใจเป็นธาตุที่ไม่ตายพอร่างกายแตกปั๊บใจมันก็ไปด้วยพลังของกรรมไปหาเกิดใหม่ไปหาจับจองที่ใหม่ไปเกิดในที่ดีที่เหมาะที่สมตามบุญตามกรรมของตัวเองหากทำดีก็ไปสู่ที่ดีทำไม่ดีก็ไปสู่ที่ต่าที่สามเอาทุกเอาโทษมาให้กับเรานี่คือภาวะของใจเป็นเรื่องที่เราควรจะย้อนมาทำความรู้จักกับผู้รู้ของเราเราจึงพยายามมานั่งมาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่น งัดเอาคุณสมบัติของใจมาใช้เกิดประโยชน์ปลุกสติขึ้นมาสตินี่เราตั้งได้พอสติขึ้นมาปั๊บเอาสัมปชัญญะมาประคับประคองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติระลึกได้ตั้งกึ๊บขึ้นมาสติเราต้องพยายามปลุกพยายามตั้งให้มันเกิดเป็นสติขึ้นมาสติเกิดขึ้นมาเองโดยลําพังก็มีเกิดขึ้นมาเพราะเราพยายามตั้งก็มี เราไม่พยายามตั้งเราคอยมันโผล่ขึ้นมาเองบางคนเขาบอกตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ธรรมะเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นแล้วมันไม่ทันกิเลสรู้แต่กิเลสมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ตั้งให้มันมันยังเกิดขึ้นมาได้เราพยายามตั้งออกตั้งใจเพื่อที่จะงดเพื่อที่จะเว้นเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางมันทำไมเราจะพยายามตั้งใจกดตั้งใจทําไม่ได้พยายามตั้งสติขึ้นมาพยายามปลุกผูรู้ของเราให้ตื่นโงอย่าลืมว่า ผู้รู้ของเราตื่นรูสว่างชัดที่สุดได้ครั้งละขณะละหนึ่งอารมณ์พยายามท่านยึงให้พยายามเอาอารมณ์ธรรมมากำกับอารมณ์ธรรมที่เรากำกับมาที่ใจนี่จะถูกชะล้างไปด้วยอะไรมันจะต้องถูกทับล้างไปด้วยอารมณ์อีกอันหนึ่งจะมาทับมันจะมีอารมณ์อีกอารมณ์ใหม่มาทับอารมณ์เก่าอารมณ์ใหม่มาทับอารมณ์เก่าอารมณ์ใหม่มาทับอารมณ์เก่าอารมณ์ใหม่ของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเจริญ จเจริญธรรมนั้นขอให้เป็นอารมณ์ธรรมเรากำลังจเจริญธรรมอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธธรรมโมธัมโมธรรมโรรมโสังคโฆสังคโฆสังโฆอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ที่เป็นเหตุ ใ, ให้ใจของเราได้รับความสงบซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมมาเพิ่มพูนมาทับมาถมมันก็ยังเป็นธรรมธรรมบวกธรรมธรรมบวกธรรมแต่ถ้าหากเราเผลอปักอารมณ์กิเลสมาทับแหมความโกรธทับเข้ามาแล้ว โอนึกถึงเรา่องนึกถึงเรื่องนี้แวบก็ามาแวบเดียนเนี่ยขึ้อนอยูแล้วละ่ะทั้งโกรธทั้งเครียดเครียดทั้งแค้นทั้งคิดทั้งจังบางทีก็เกิดตัณหาราคะขึ้นมาทับผมนี่คือพลังของเครียดมันมาทับคือขณะใหม่มันทับขณะเก่าขอให้เป็นขณะที่เป็นธรรมด้วยกันพุโทโธพุทโธเนื้อก็ให้เป็นนึกเรื่องธรรมท่านยิ่งให้พยายามดำรงอารมณ์ของธรรมไว้ให้ยาวพื้นตลอดเลย เหมือนกับเหมือนกับเส้นมืนกัเส้นทึบบนทองถนนะมันทึบมันพื้ น, นเป็นเส้นทึบตลอดไปเลยธรรมะที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราจนมันไม่มีช่องที่กิเลสต้องทำมจะแทรกขึ้นมาได้เพราะความชัดเจนที่เราพยายามปลุกให้ตื่นรู้ให้จับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของถามให้ตื่นรูอยู่อย่างนั้นอ่ะเพลอ่ปับ๊บหลุดมาหลุมือไปคว้ามาใหม่เพลิ่บปั๊บหลุดมาหลุมือไปคว้ามาใหม่ เราทําไปแล้วมันจะกลายเป็นวิบากกลายเป็นรรมเพิ่มพูนจากความสงบเพิ่มพูนจากปัญญาจากต่าไปหาสูงจากน้อยไปหามากจากหยากไปละเอียดเพิ่มเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยการเพิ่มก็คือการที่เราตั้งอกตั้งใจทําคือเราพยายามทําทชั่วโมงบินให้มากเหมือนอย่างที่เรากล่าวมานี่แหละพยายามทำชั่วโมงบินให้มากหรือเราจะเชื่องเราจะชินเราจะจานิจเราจะจานาน เอาขณะของธรรมมาทับขณะของธรรมเอาขณะของธรรมมาทับขนาดของธรรมอย่าเอาขณะของกิเลสมาทับขนาดของธรรมเอาขนาดของกิเลสอารมณ์ของกิเลสมันรุนแรงมาทับปั๊บอ้าวทำมาหายไปแล้วพุทโธหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แหละเน่เน่คือใจของเรามันเป็นที่มาแสดงผลปรากฏของความรู้ที่มันแสดงปลุกด้วยเด่นให้ชัดให้โล้ด้วยเหตุที่เราทําอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงศึกษาควนควา คำแบบนี้ได้พระองค์จึงสามารถชะล้าสิ่งที่ชั่วร้ายในในพระไัยได้แล้วเอาวิธีการนี้มาสอนเราสร้างหลักให้เราเข้าใจศินสมาธิปัญญาสมาธิก็คือสงบจิตสงบปัญญาก็คือสงบด้วยพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาอะไรหาเหตุหาผลหาต้นหาต่อหาที่ไปหาที่มา หาที่ไปหาที่ม า, า, มาของความไม่สงบอะไรเป็นเหตุให้ให้มา ใ, ใ, ให้เราไม่สงบพิจารณาไปาพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นเห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, หนปันจจัยของแห่งความไม่สงบคืออวิชชาตัำหาอุปาทานเะนี่ยมันพาเราให้ให้เราได้รับไม่ได้รับความสงบทรงทรงสแสดงแล้วมันพันมาที่มันพันมาที่ระบบระบบ ของรูปธรรมของเราของนามธรรมของเรามาที่กายของเรามาที่วายจาใจของเราแล้วก็มาที่ใจของเราระบบเหล่านี้ท่านวางไว้ในตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านตั้งไว้สิ่งที่มีหยุนหวัวใจของเราที่ท่นเรียกวิช า, าวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร น, นี่คือกองสังขารกองสังขารเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากาวิช า, าวิชาใครสร้างใครทําให้เราไม่มี แต่พระพุทธเ้าท่านตั้งชื่อให้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทําด้วยความสําคัญมั่นหมายทําด้วยความหลงทําด้วยความเพลินทําด้วยความเห็นผิดสําคัญผิดยึดผิดถือผิดสําคัญผิดทําผิดผิดเป็นเหตุ <Yeah. S 2> ที่ที่จะเรียกว่าความไม่รู้ความลุ่มหลงคืออวิชชาวิชาคือความลุ่มหลงด้วยเหตุท <kaik S 2> ี่เราลุ่มหลงนีง่แหละมันกอ่อตัวขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นกองสังขารรูปเป็นกองสังขารนาม เหมือนอย่างความรุ่มหลงบางอย่างเนี่ยมันทําให้จิตใจขเราต่ําซามลงประกอบพฤติกรรมที่เลวซาต่าไปจากภาวะความเป็นมนุษย์ตายปุ๊บมันไปเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานตายปุ๊บไปตกนรกชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยต่าซามจนถึงขั้นอเวจีมหานรกนีน่มันทําให้เราต่าไปจากเดิมต่ําไปจากที่เดิมเราไม่สามารถจะตามรูปตามเห็นตามเข้าใจมันได้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะฉะนั้นกองสังขารตราบใดที่เรามีความมัวหมองเศร้าหมองปิดบังได้วิชาตันหาวปาฐานกองสังขารเพราะเราขยายไปในวัฏสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบการที่เราศพระงับดับสังขารได้เป็นความสุขอย่างยิ่งเตสั่งอุปสโมสุโคการเข้าไปสงบระงับดับสังขารได้เป็นสุข แท้ที่ยิงหัวใจของเราของท่านของใครก็ตามต้องการความสุขต้องการความเจริญเราจะสงบระงับดับถึงความสุขความเจริญถึงขั้นประมังสุขขังได้เราจะต้องระงับดับสังขารเอาเรามายกตัวอย่างมาง่ายๆเหมือนอย่างเราภาวนาให้ใจของเราได้รับความสงบแค่เราสงบระงับดับสังขารที่มันปรุงมันแต่งหัวใจของเราได้ หัวใจของเราก็เริ่มอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงจากของสังขารที่มันมาพรมกิตของเรากิตจนจิตของเราสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์จิตอยู่กับบทธรรมน่มีความสุขมีความสุขขั้นขั้นชะลอขั้นหยุดอารมณ์ที่มันไปก่อกวนหัวใจของเราได้อารมณ์ที่ไปก่อกวนหัวใจของเรามีอะไรเป็นพลังตัณหาเป็นพลังเป็นพลังเป็นพลังไปย้อมจิต ดวนั้นอะ่ะให้โดดให้ดิน้นดิ้นรนทวตยานไปตามเรื่องไปตามอำนาจของมันมีความสําคัญนะธรรมะมีความสำคัญมากที่จะมาหยุดหยุดหยุดตัณหาหยุดอุปาทานที่ไม่ให้มันมากอ่อโคลนหัวใจมีความสุขยิ่งเราสาวหาเหตุหาผลหาต้นหาตอเราดึงเหตุออกทั้งหมดดึงเหตุทั้งหลายทั้งปวกออกทั้งหมดเหตุอะไรที่เป็นเหตุให้เราเป็นไปในวัฏสงสาร เหตุอะไรที่เป็นเหตุให้เราเกิดกองสังขารเกิดกองสังขารกองสังขารก็ย้อนดูไปที่จิตคือผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์มีสิ่งแล้วนี้แหละปนเปื้อนมาด้วยงัดเอาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติมาชะล้างสิ่งที่เป็นคุณเอาสิ่งที่เป็นคุณมาชะล้างสิ่งที่เป็นโทษหากสิ่งที่เป็นคุณก็มากับจิตตรงนี้สิ่งที่เป็นโทษก็มากับจิตตรงนี้ มาออกมาเผยมาแผลมากระจายลุกลามใหญ่โตก้างขวางออกไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเป็นไปในวัฏสงสารมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่นี้จึงเอางัดเอาธรรมะมาชักมาล้างกับกิเลสในหัวใจของเราเมื่อไล่กิเลสตัณหาอาสวะออกไปหมดแล้วเนี่ยผู้รู้เราเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไหมว่าถอยมาถอยมาถอยมาพิจารณาแล้วถอยมาพิจารณาแล้วก็ถอยมาเอาตัวรอดเอาตัวรอดคนเดียวดูเด็กขันของเราคือร่างกายของเราธั้งภาพร่างกายของเรา เป็นกายเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นขันขันทั้งหเนี่ยในสุดแม้แต่ขันทั้ง5เราก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยทิ้งทำความรู้ทำความทําความรู้เท่าทันว่าขันคืออะไรเป็นไรที่เป็นรูปธรรมเป็นไรที่เป็นนามธรรมเป็นอะไรพิจารณารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางพิจารณาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถอนตัวเองมาเรื่อยถอนมาจากรูป ถอนมาจากเวทนาถอนมาจากสัญญาถอนมาจากสังขารถอนมาจากวิญญาณถอนมาเรื่อยถอนเรื่อยถอนตัวออกจากกันท่ากันท่าไม่ใช่เราเราไม่ใช่กันท่าแนา่ใช่ไหมผู้รู้ที่บริสุทธิ์เวลาพิจารณาแล้วถอนมาได้ถอนมาได้จากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเอาเระไปพันว้าวุ่นขุนมัวไปมารูเป็นกับกับเป็นอาสงไกยกับเป็นอาสงไขยกับวนไปในวัฏสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพอเราพิจารณาทํา เหตุที่ไปเขามารู้ที่มาเขามันแล้วก็ทำความรู้เท่าแล้วก็ปรงแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเมื่อเราทอนตัวเองมาทอนมาทอนมนจนเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวละได้วางไดหมดจดโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านเรียกกองสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารในนั้นไม่มีอนิจจ์ทุกขังนัตตาคือจิตคือพระจิตของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นั่นถึงความบรมสุข เตสร้างรูปสมโสุโสสงบระงับดับสังขารทั้งรูปสังขารทั้งนามสังขารเข้าถึงปรมังสุขังนี่คือวิชาการที่พพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้เราตั้งบตั้งใจประคุติธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาฝึกฝนอบรมจำรักขัดเกลาทั้งอบทั้งรมทั้งฝึกทั้งหัดทั้งดักทั้งแปลงฝึกที่กายกายกรรมวาิจีกรรมมโนกรรม คนดีคนดีเอาอะไรมาดีชี้ไปตรงไหนว่าคนเราเป็นคนดีดูไปที่กายกรรมดูไปที่วจีกรรมเราทำด้ยวยกายที่เรียกว่ากายกรรมเราเอาปากมาพูดเนี่ยเป็นวจีกรรมกายกรรมของเราดีเป็นผู้มีบุญ ว, วจีกรรมของเราดีเป็นผู้มีบุญกายจะดีของเราจะดีก็เมื่อเรามีศีลกำกับ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่รู้อหรพืชผิดในกาศแค่นี้เราพอจะดูเห็นนว่ากายของเราบริสุทธิ์ไวจีกรรมของเราไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดเสารเสียดยุยองส่งเสริมให้คนไปใส่ร้า ย, ายป้ายเสียคนเข้าใจผิดเอาปากไปทำโทษนี่นี่ไวจีกรรมเราสํารับ ร, รมะมัดระวังได้ไวจีกรรมของเร า, เราบริสุทธิ์คนที่มีกายกรรมสุดจริตไวจีกรรมสุดจริตนั่นแหละคือคนดีคนดีคือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนดีบุญคืออะไร บุญยะบุญยังภาษาบาลีถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือความดีผลของบุญก็คือความสุขในหัวใจความดีนั่นนะเป็นเหตุความสุขตามมานะเป็นผลนะั่นคือผลจากบุญเอาอะไรมาเป็นบุญเอาอะไรมาดีกายดีวาจาดีมาจากใจดีใจดีใจมีสินใจมีธรรมใจมีสติใจมีสัมผชัญญะใจมีข้อปฏิบัติตกับจิตใจของตัวเองนั่นนะคือคนดี การดูคนดีคืออะไรดีเราดูท kind of ี่คนดีจะไม่แสดงพฤติกรรมให้ทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงตาทิ่มแทงหูหูก็จอจอดจอดจดจอดจอใส่เข้าไปสาสตร์ดัร้อนใส่เขาหนันั่นนั่นน่ะปากไม่ดีปากบาปากไม่มีบุญกายไม่ดีสร้างความกขัดขระเทือนหมดเบียดเบียนหมด เอากายที่เป็นรูปของทนไปเบียดเบียนเบียดเบียนสัตว์เล็กเบียดเบียนสัตว์ใหญ่แสดงกิริยากับมนุษย์กับมนุษย์เดียกันมาชกมาต่อยมาตีมาฆ่ามาแก่กันแล้ดูที่นี่คือพฤติกรรมของมนุษุษไม่มีบุญมนุษย์ที่มีบุญมนุษย์มีศีลมีธรรมในใจกายกรรมของเขาเขาสะอาดไว้กีรกรรมของเข า, ขเขาสะสิ่งเหล่านี้เกิเดขึ้นเองไม่ได้ต้องชะต้องล้างต้องขัดต้องกล่าวต้องฝึกฝนต้องอบรมจนกว่าจะสะอาดบริสุทธิ์ จนสามารถจั่ละกองสังขารทั้งปวงได้ด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พวกเราได้ยินได้ฟังมีโอกาสได้มาฝึกลนอบรมยามจับหลักให้ได้แล้วก็ตั้งอันนี้เป็นอนุสรชีวิตทะลึกมาทีไรเมื่อไรโอ้เราตั้งตัวได้แล้วจะจับตรงนี้ไปให้ต ล, ตลอดให้สุดสุดสายปลายแดนเพื่อหวังความสุขความเจริญของเรา โอ้หมดอะไรแล้วไม่ได้ตอบปัญหาแล้วเอาทำความสงบไปอีก1ินาที